ดีดองต่างแต่ว่าของเรามันสื่อพุทธศาสนาก่อนหน้าที่ท่านปรมาจารย์ทักโมเข้าไปคิดประมาณ600ปีพุทธศาสนาก็บแบบอย่างที่เราเป็นคือเต็มไปด้วยลัทธิะเพณีรีดองครั้งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆในเต็มอย่างนี้แหละจนปรมาจารย์ตักโมมาก็เริ่มเผยแพร่เรื่องการเคลื่อนไหวการ ออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆกลายมาเป็นวัฒนธรรมรด้านกีฬาการออกกำลังกายของจีนที่พัฒนาท่งน้านสติปัญญาโครงสร้างมันสมองอะไรต่างๆคนจีนที่เข้มแข็งเอาไปมาจะเป็นมหาอำนาจเหนืออเมริกาแล้วตอนนี้อเมริกาอเมริกาลบด้วยเขาก็ใช้วิธีอเมริกาใช้บู๊แต่จีนใช้บุญอมันก็แพ้กันโดยในยาและเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจ คนจีนก็ครอบงำไปทั่วอเมริกาแต่นั้นเองอันนี้คือมันต้องครอบคุมไปหมดว่ากรรมฐานและด้านวิปัสสนาต้องทำงานเป็นนะไม่ใช่ว่าคุณปฏิบัติไปแล้วอ่อนแอทำงานไม่เป็นพระที่ไปอยู่กับธรรมาต้องทำงานเป็นเพราะมาฝึกทุกอย่างฝึกการต่อนา้าต่อไฟการสร้างกูติการออกแบบอะไรต่างๆคือฝึกการทางานนั่นแหละฝึกเจริญสติขอการทางาน คุณจะไปคิดว่าคุณทํางานถ้าคุณไปคิดคุณทํางานคุณทุกตายเลยอคิดว่าเรากําลังเจริญสติการเคลื่อนไหวก็ทําทไปก็มีความสุขแล้วก็สามารถประดิษฐทิดคนในสิ่งใหม่ๆแล้วไม่ต้องเชื่อต่อมาให้เชื่อปัญญาของตัวเองแต่เอาคอนเซปต์เดียวกันคือให้มีสติเกับการเคลื่อนไหวแต่ละคนมัน ม, มีปัญญาอยู่แล้วแต่ปัญญามันยังไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควร มันมีเพียรปนอัตตาตัวตนอยู่เบื้องต้นเราก็ศึกษาเรื่องรูปนามเพื่อถอนสักยัติทิฐิที่เราเน้นกันมานั้วเนี่พอถอนสักยัติทิฏฐิความสําคัญผิดได้อัตตาตัวตนมันก็ลดลงเมื่ออัตตาตัวตนมันลดลงปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดมันก็เห็นอะไรมันก็น่าทำหมดอันนั้นก็นะมันก็ทําเป็นทีนี้อย่างท่านเอฟเยจักการที่ไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้เป็นตัวอย่าง ไฟฟ้าน้ำไฟถ่ายวิดีโอถ่ายอะไเป็นแต่คนไหนที่รับอันนี้ไม่ได้ก็ออกไปไปทางอื่นก่อนทีนี้ต้องทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระที่มาฝืนมาออกจากนมาไ ป, ไปไปตั้งสํานักได้ทุกองเพราะ <c oughs> ว่าอะไรเพราะทําทเป็นทำํำกุฏิก็เป็นทําน้าทําไฟเป็นไม่ต้องจ้างช่างไม่จ่างแต่น้อยแต่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาเพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนามันทําให้พัฒนาชีวิต นะแม้แต่การออกกําลังกายที่เขาออกกันเนี่ยมันได้ชั้นเดียวคือได้แต่กําลังกายแต่ด้า น, านจิตพัฒนาทางด้านมโนาอัตตาความเครียดกลิ่เพระาะะฉนั้นทหารตำรวจข้าราชการออกกําลังกายแต่ติดบุหรี่มันเป็นไปได้งไง addiction นะพนั้นเองเพราะความเครียดมันสั่งสมออกกําลังกายบางทีไม่ค่อยเต็มใจทำํำโดยนายบังคับบางโดยการกดกระติกาบังคับบงัง แต่การอย่างทำที่ออกกำลังกายาที่ํำคือการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเราเห็นประโยชน์เราก็รู้จักผ่อนคลายคือทฤษฎีของการตีเหล็กอ่ะตีมีดอ่ะคือถึงช่วงที่จะต้องดัดเหล็กดบดมีดต้องเป่าให้มันแดงที่สุดแล้วค่อยตีเมื่อแดงตีเข้าที่เขาลูกเราอก็ชุบน้ำยังไม่เขาลุกเขาลอยกบมาเผาอีก ปกติอีกชุบ ด, ด้าอย่างเงี้ยจนกระทั่งเหล็กนี่แข่งแข็งคนก็เหมือนกันทําให้พีกที่สุดก็คือเหนื่อยแล้วก็ผ่อนคลายหายเหนื่อยแล้วก็เอาอีกค่อนคลายเหมือนชุบน้ําำไอตอนที่เราเร่งการทําให้พีกที่สุดเหมือนกับเผาไฟเผลลาไฟแล้วก็มีสติกําหนดรู้เวทนา ที่มันขึ้นแล้วมันดับไปไงเวทนาในขณะที่ทำเวทนามันสูงทุกเวทนาันสูงเวลาผ่อนคลายเวทนาค่อยดับลงไปพอทําไมสุขเวทนาที่ผ่อนคลายไม่ขี้มันหายไปทุกเวทนาเกิดขึ้นใหม่ลักษณะทั้งเผาทั้งตีทั้งชุบทั้งปอกทั้งตีในที่สุดเหล็กธรรมดาก็กลายเป็นอาวุธสติสัญชตาตญาณธรรมดามันกลายเป็นปัญญามันกลายเป็นยานวิปัสนาญาลักษณะอย่างนี้ อันนั้นเมาถึงเห็นโอ้คอนเซปต์หลักของท่านตัก๊กโมมันเข้าวิธีการหลวงพ่อเทียนแต่ว่ามีพระสถกีลูกที่จะเข้าถึงหลักการหลวงพ่อเทียนซึ่งเอามานําเสนอเรื่องนี้ใหม่ๆมันมก็ถูกโจมตีว่าเอามาเพี้ยนอะไรเอามาก็ด้วยหลักการที่เราได้ประโยชน์เพราะได้ประโยชน์เราก็ลองเผยแพร่ไปในที่สุดคนที่โจมตีมาสุขภาพเขาเดีย้ยนเขาเดีย้ยนเรากลับมาทําแบบออกมาในที่สุด เพราะฉะนั้นเองบางสิ่งบางอย่างเราต้อ ง, องกล้าที่จะไปก่อนคนอื่นไม่ค่อยใจเราเพราะวเราจะไปเอาตามเสียงเขาเราต้องทําไปก่อนเรามั่นใจในความหลักการที่ถูกต้องเราก็ทําไปก่อนแต่วัฒนธรรมไทยเรามีการกลัวในสิ่งเหล่านี้กลัวการวิพากษ์วิจารณ์กลัวติชินดินทากลัวจนขาดความมั่นใจไม่กล้าคิดไม่กล้าทําอะไรสิ่งใหม่ๆไม่เชื่อมั่นตัวเองเพราะสังคมไทยเนเป็นอย่างนั้น ทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าถึงวิปัสสนาแล้วมันออกจากกรอบของวัฒนธรรมประเพณีที่ล้าหลังที่งมงายที่มันทำให้คนอ่อนแอเราก็มาทำทา ใ, ให้คนเข้มแข็งเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้ทำให้เข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งแล้วเราก็ไปฝึกคนในครอบครัวของเราเข้มแข็ ง, ขงการที่เราอยู่กับคนที่มีสติดีกับสติไม่ดีอะไรสบายใจกว่า ใช่ไหมการที่เขาอยู่ในร่วมกับคนที่มีปัญญาดีกับคนปัญญาไม่ดีอันไหนสบายกว่ า, าการที่เราอยู่ร่วมกับคนอ่อนแอขี้เลว ก, กับคนที่เข้มแข็งอันไหนสบายใจกว่ า, าใช่ไหมเราต้องการสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แต่ทําไมเราไม่สร้างมันขึ้นมาดังนั้นเองการปฏิบัติวิปัสนาเราไม่ใช่หลับหูหลับตาทำหลวงพ่อเทียนเราถ้าคุณหลับตาทำเนี่ยเวลาคุณไปทำอาหากินคุณจะทําไงอ เออใช่ไหมคุณทำไมไม่หลับตาไปทํานาล่ะคุณไม่ทำไมหลับตาไปค้าขายดังนั้นเวลาคุณหลับตาคุณก็แยกระหว่างชีวิตจริงกับกรรมฐานจากกันแล้วมันมันจะเมื่อไหร่มันจะเติบโตมาเติบโตไปทันกันคุณต้องทํากรรมฐานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามนั่นกรรมฐานที่จะเติบโตทันกับความคิดความคิดไม่คิดตลอดเวลาคุณก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาเพื่อให้มันสมดุลกันน้ําเท่าไหร่ไฟเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้น ถ้ามันเกิดมากกว่าดับอะไรเกิดขึ้นนั่นคือเศษของทุกข์ถ้าดับมากกว่าเกิดเศษของทุกข์อย่างพา น, นั่งกรรมฐ า, านเย็นๆสงบอยู่ในท่าปานั้นอันนี้ดับมากกว่าเกิดไม่เป็นประโยชน์แต่โยมทํางานทั้งวันเราก็ไม่ได้ตามรู้ตัวเองเครียดทั้งวันอันนี้เกิดมากกว่าดับก็ เ, เป็นทุกข์มันสูดตรงทั้งสองข้างแต่ถ้าเราทําเกิดความคิดความทุกข์เกิดเท่าไหร่ก็ต้องดับพอดับเสร็จแล้วอาทําให้เกิดใหม่ก็ดับกลายเป็นพลัง มือนขั้วไฟเนี่ยมันเกิดกระดับในอัตราส่วนที่เท่ากันมันกลายเป็นแสงสว่างถ้าภาวะเกิดขั้วบวกมากกว่าขั้วลบไฟอาจจะดับหรือชดขั้วลบมากกว่าขั้วบวกไฟไม่ติดคอนเซ็ปต์เดียวกันทุกอย่างมันเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่เราดีโจทย์ไม่แตกกรรมาฐานหนึ่งทําให้คนอ่อนแอล้าหลังพวกฟาซีส์เขาก็เรียกว่ า, าการขทำกรรมาฐานไปใหญ่เสพติดทําให้คนอ่อนแอมันก็ไม่เอาเลยมันก็เข้าใจผิดกรรมาฐานไม่ใช่ว่า เอามานั่งเสพสุแต่กรรมฐานทําให้เราเข้มแข็งทั้งกายและใจะที่คอนเซปที่กล่าวไปเมื่อวานว่ากรรมฐานที่เป็นสมถะเอาฌานเป็นตัวอารมณ์แต่ถ้าเป็นวิปัสนาเอาญาณเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์สมถะเอาการเพ่งเป็นอารมณ์แต่ถ้าสมถะที่เอื้อต่อ ว, วิปัสนานั้นก็เอาตัวมั่นคงตัวแจ่มใส และกระรัวสะอาดของจิตเป็นอารมณ์นะดังนั้นเองเมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้มันก็เลยเห็นประโยชน์เ อ, อ้ปฏิบัติแบบนี้เราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะทั้งกายและจิตเรารู้จักการทํางานทํางานขยันในการทํางานแต่พระกรรมฐานที่ทํางานไม่เป็นถูกสาวกถูกลูกน้องถูกลูกศิษย์หลอกต้มทําต่างๆในะที่สุดอาจารย์กรรมฐานก็ไปไม่รอดอ อ้างาชื่อเสียงอาจารย์ไปทำมาใหา้กินไปเลื่อ ย, ยไลไปบอกบุญอดไต่งๆอาจารย์ก็เสียหายในที่สุดภาพพจน์กรรมฐานไม่ดีก็เผยแพร่ก็คนก็ไม่เชื่อถือละแต่อาจารย์บางทีเจตนาดีแต่ไม่ฉลาดพอที่จะแก้ไขปัญหาเพราะทางานไม่เป็นต้องใช้คนอื่นทำหมดคนอื่นเขามีกิเลสเขาก็อาศัยช่องว่างดมเอาหลอกเอาเพราะว่ามันมีกิเลสอยู่เห็นเงินเห็นทองเห็นอะไรมันก็ต้องทําล่ะ มันก็ไปสร้างบาปให้คนอื่นอีกในการที่ไม่ฉลาดปกป้องตัวเองก็ไม่ได้ปกป้องผู้อื่นก็ไม่ได้นะฉะนั้นเรื่องนี้ละเอียดลึกซึ้งถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าหากว่าเราได้เจริญสติแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่เป็นสัญญาณสาคัญคือตัวตนคุณต้องน้อยลงต้องเบาบางลงถ้าทาแบบนี้แล้วตัวตนไม่เบาบางลงเราไม่เข้าใจ รูปนามนะเข้าใจรูปนามหมายถึงว่าเราจะลด ต, ตัวตนให้น้อยลงความสําคัญผิดที่เป็นสักยัิฐิเนี่ยความสําคัญตนเองผิดคือไปคิดในมิติที่เป็นรูปที่เป็นสมมุติเท่านั้นแต่มิติทางนามธรรมาเราไม่ถึงเพราะฉะั้นมีรูปแล้วมันต้องมีนามด้วยอืว่าตัวตนจริงๆข้อเราเนี่มันไม่มีมาก่อนนะที่มันมีมาเพราะวิบากของกรรม ถาสี่มารวมกันเนี่ยผสมผสานกันขึ้นด้วยเลือดของแม่ไข่ของพ่อมาเป็นตัวเราด้วยวิบากของกรรมเมื่อวิบากของกรรมน้อก็จะต้องมีทุกข์มีสุขมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสบายไม่สบายสลับกันไปเรื่อยๆแต่การบริหารสิ่งคู่นี้ให้เป็นประโยชน์ให้มันเกิดการสมดุลให้เป็นสติปัญญาก็ต้องใช้วิปัสสนานี่คือพระพุทธเจ้าพบแต่สรุปพบหลักการอันนี้ ท่านเลยนำมาเผยแพร่สองสมวันปีและทาําทําว่าทฤษฎีนี้จะเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกตนี้ซึ่งมาพิจารณาถึงประเทศไทยของเราครก็เสียดายว่าเราเาไปสมาครฐานาพราหมณ์มากเกินไปเพราะเพราะว่ า, าการระบบการปกครองบ้านเมืองที่เป็นมาแต่ศตวรรษต่างๆก็มีการาขึ้นอยู่กับผู้นำที่ไม่ไมใช่พุทธหรือไม่เข้าใจพุทธก็ทำให้ต้องถูกทาลาย แล้วไปปี่เอาปัตติปิโดกจากเข้ามาจากรังกาจากที่อื่นมาก็ทั้งผิดทั้งถูกเราก็คือเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเองอาศัยท่านผู้รู้ที่ท่านพระอริยะที่ท่านเข้าถึงทำแล้วท่านก็เอามาแก้ไขปรับปรุงใหม่ในยนุคนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อพุทธธาตุหลวงพ่ชาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเจ้คุณสมเด็ธธพาาจพระเทพรัชกา์ที่คุณประยุทธ์มามาแผ่ตีแผลเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่รู้เราจะงมงปดไง ไปอีกนานเท่าไหรนะ่โชคดีที่เรามีท่านเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็มาขยายต่อเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นในการจัดการรูปกับนามจัดการความคิดกับความรู้สึกให้เป็นแล้วก็จากความรู้สึกให้ถี่ขึ้นตลอดเวลาเราจะต้องเตรียมความรู้สึกตัวดที่เป็นฝ่ายดับเนี่ยให้มากเพราะฝ่ายเกิดมันเกิดตลอดเวลาเกิดด้วยอานาจของอะไร ที่เกิดเกิดด้อำนาจของอะไรของตรลักษ์ใช่ไหมเกิดตลอดเวลาไตรลักษ์ไตรลักษ์ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมเอามาสังเกตช่างต่อไฟเนี่ยเอ๊ะทาไมต้องมีสายกาวด้วยช่างเราไม่ต้องมีสายรอฟ้าลงกาวด้วยถ้าไม่มีมันก็จะต้องชอ็อตมันก็จะต้องระเบิดเวลาฟ้าผ่าลงมามันก็ เสียหายหมดนะเพราะนั้นต้องมีสายกาวอันนี้คือตัวไฟดับนะต้องมอีสิ่งที่รองรับที่ใหญ่มหาศาลมาติดโซลิเซลสามิบส0แผงนะต้องลงกาวเยือแยะไปหมดไม่งั้นเวลาฟ้าผ่าลงมาพังหมดระบบต่างๆอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมีตัวดับตัวเกิดก็คือตัวที่มันรับเข้ามาตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดละ แต่ถ้าเรามีตัวรู้อยู่เนี่ยคือตัวรู้คือตัวดับถ้าไ ม, ไม่มีตัวรู้ตัวเกิดเรานี่ก็ยสร้างทุกข์ให้เรามาหาศาลเพราะนั้นคนทั่วไปปุถุชนคนทั่วไปที่เป็นทุกข์เราก็จะเบแปลกใจเพราะทุกข์มันเกิดตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่มีระบบนะคือมันช็อตตลอดเวลาไฟช็อตตลอดทุกข์มันช็อตตลอดแต่ไม่มีระบบ <c oughs> ใช่ไหมช็อตเล็กๆน้อยๆจนเป็นช็อตสูงสุดนะจ น, เ ป, นปเป็นปัญหาสังคมที่เราเห็น ดังนั้นเองก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะปฏิบัติวิปัสนาได้แต่คนจำนวนหนึ่งในที่เป็นแกนนำของประเทศชาติของครอบครัวเนี่ยเข้ามาศึกษาวิปัสนาให้รู้บ้างมันจะช่วยได้เยอะนะเพราะนั้นในระดับผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างพระเนี่ยต้องฝึกให้เข้มแข็งร่างกายและฉี่ใจนะผู้นำทางการเมืองทางทาหารตำรวจที่มีส่วนในการนาทางสังคมเนี่ยต้องฝึกวิปัสนา นะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กําลังที่เขาออกทุกวันเนี่ยให้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังอํานาจแห่งทิฐิมานะถ้าเป็นเปลี่ยนตัวพลังงานของกายให้เป็นความรู้สึกตัวไม่ได้ก็ไม่มีตัวดับมีแต่ตัวเกิดและตัวทุกขเหล่านี้ที่ก็เป็นทิฏฐิมานะเป็นพลังอํานาจสั่งสมอยู่ในอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะไปข่มเหงคนอื่นไปทําร้ายคนอื่นครอบงำคนอื่นประเทศชาติก็ตกต่ำ ทำต่อยไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนพลังงานของกายที่มันออกมาในรูปของการเกิดให้มันดับคือตัวรู้สร้างตัวรู้ให้เยอะที่สุดเพื่อไปสมดุลเพื่อไปสมดุลเปลี่ยนพลังงานนั้นให้เป็นตัวสติปัญญาไม่ให้เปลีป่ยนแปลงเป็นพลังอํานาจทิฏเด็ดปาฏิหาร์ต่างๆที่ออกมาสู้กันนะเพราะฉะนั้นเอามาเองนั่งรถไปตามทาง เวลาคนมันมีสติขับรถมันมันต่างคุณไม่มีสตินะสังเกตไหมคนที่สติดีแล้วขับรถกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกสติเนี่ยสังเกตไหมว่าต่างกันยังไงอาจารย์พูดสักเมื่อก่อนผมไม่ขับรถเร็วอย่างนี้นึเพราะทำไมเดี๋ยวนี้ผมขับเร็วผมรู้ตัวเหมือนกันเพราะสติมันดีเร็วไม่ใช่ว่ามันเร็วแบบประมาทหรือบุ่มบามนะเร็วแบบปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเพราะว่าสติดีแล้วมันจะรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ เข้มแข็งขึ้นทําอะไรมันก็ทันบ้านทันเมืองทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทันเกมของสังคมนะถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราเฉยชายืดยาดไม่ทันกันเนี่ยกรรมฐานก็ช่วยเราได้ไม่ได้เราจะเป็นคนล้าสมัยล้าหลังนะแนั้นประเทศอินเดียก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อเอาพุทธศาสนาออกแล้วก็ยังก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าหลังจากท่านกวนกากลับมาฟื้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นคนอินเดียตื่นตัว ตื่นตัวขึ้นในแงของพุทธศาสนาท่านกวินกิกาถือเป็นเคลื่อนหัหนาสามารถแพร่ขยายไปทั่วโลกเราสมเด็จบัานเราทำอย่างนั้นได้สักองค์มา้าดกก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเทรวาตเพราะนั้นมันจาเป็นต้องผสมผสานทั้งเทรวาด ม, า ห, าามาหายานด้วยกันเอามาโชคดีตรงที่ว่าได้เข้าไปคุกขีทั้งสองส่วนคุกขีทั้งเทรวัตทั้งมาหายานคุขีทั้ง ัชรยานผู้ขี่ทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธและเอาส่วนดีของแต่ละฝ่ายนี่ออกมาใช้ก็ทําให้เราเห็นช่องทางว่าเราจะพัฒนาพุทธศาสนาให้ดีกว่านี้อย่างไรพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นทรายที่ดีนะฝ่ายผู้นําทางอะไรต่างแล้วเราเรื่องนี้เข้าไปผู้นําเราก็สนใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นจึงอยากจะให้พวกเราปฏิบัตินอกจากที่จะ เป็นผู้นำของตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้นำของครอบครัวที่ดีเป็นผู้นำของชุมชนที่ดีเป็นผู้นำของอประเทศชาติบ้านเมืองที่ดีแล้วพุทธศาสนาเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเหมือนกับทางประเทศจีนที่เป็นมาก่อนเป็นพันๆปีนะทั้ะนั้นเองอทังจีนแะญี่ปุ่นทางเยอรมันทั้งสามประเทศเนี่ยใช้พุทธศาสนาใกลเคียงกันในแง่ของสาระนะแต่ในแง่ของ และทนิการเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของสมมติแต่ใ น, นแง่ของสาระแล้วก็คือได้ใช้ตัวหลักของพุทธศาสนาคือจัดระเบียบตัวเองอเอามาไปดูคลิปต่างๆของโรงเรียนอนุบาลของญี่ปุ่นใช่ตัวเล็กๆสองขวบสามขวบฝึกกันพ อ, อโตขึ้นมาเด็กพวกนี้ปล่อแล้วคือการฝึกเด็กนี่ตั้งแต่อายุ1่ขวบถึงสิบขฝึกนะให้เต็มที่หลังจาก15ไปแล้วเนี่ยเขาเป็นของคนอื่นแล้ว จะฝึกยากนะฮะหนึ่ง ส, งสบหปีถ้าเด็กของเราเหมือนผ้าขาวอ่ะจะฝึกอะไรก็เป็นอันนั้นแต่นั่นเองในสิ่งเหล่านี้การฝึกนะการฝึกตนนะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าหากว่าเราทําได้ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่สนุกคาว่าถูกต้องก็คือต้องยึดหลักของอริยสัจสี่เอาไว้ว่าชีวิตนี้มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์อนะ่ ตลอดและทุกนั้นคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องหนีคุณไม่ต้องหลบไม่ต้องกลบต้องเกลื่อนมันทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกเรียนรู้ทุกต้องตามรู้เหมือนเราคุณใช้ไฟในบ้านเนี่ยไม่มีไฟทําอะไรไม่ได้ต้องติดไฟอย่างโน้อย่างนี้สร้างบ้านเสร็จถ้าคุณไม่เดินไฟบ้านหลังนั้นก็อยู่ไม่ได้ต้องเดินไฟทั้งถ้าที่ไฟเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ทาไมเราเดินเข้าไปเพราะเราจัดระบบะจัดระบบเรียนรู้เอาช่างไฟฟ้าวิศกรไฟฟ้ามาติด เราก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยในการไฟไม่ว่าน้าไฟคอมพิวเตอร์สิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายอต้องใช้ไฟหมดเหมือนกันทุกที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราเพิ่งเรียนรู้ศึกษาที่จะแปลรูปของทุกทุนในแบบต่างๆออกมาเป็นตัวรู้ให้อยู่ทางกายเท่านั้นนะแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนต่อมาว่าทุกที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาให้ ละเอียดแล้วทุกของกายนี่เองมันก็จะไปสร้างทุกให้กับจิตเรียกว่าสมูทายตรงเนี้ยท่านบอกให้ละที่เราปฏิบัติทุกวันในกรรมฐานทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อละสมูทายคือละทุกที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะแต่ทุกทางกายเนี่ยคุณละมันไม่ได้ถ้ามันเกินทําไงบําบัดทุกกายต้องบําบัดทุกใจต้องตัดไปทุกกายต้องบําบัดแต่จะทําให้ตัดไปแบบทุกทางจิตเองไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ติดตัวเรามาด้วยอํานาจของวิบากกรรมถ้าเรามีรู้จักเรื่องอดิศ ส, สีตั้งแต่ชาติที่แล้วเราก็ไม่ต้องเกิดมาชาตินี้อีกใช่ไหมแต่ชาตินี้มาเจออดิศ ส, สีแล้วไม่ศึกษาจริงจังเดี๋ยวเราก็ไปทุกในชาติต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นจบไม่รู้จะไปเกิดเป็นลูกของโจรลูกของขโมยลูกของสิงสาราษที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ถูกทําร้ายข่มเหงถูกฆ่าถูกแทงถูกยิงถูกข่มคืนอยู่ทุกชาติไป เราจะเอาอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ยากที่สุดคือมาพบพระพุทธศาสนาแล้วสามารถจะเริ่มิปัาสนาให้ถูกต้องได้นี่คือสิ่งที่ยากนะดังนั้นเองเมื่อเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเราเริ่มเข้ามาลำดับลำดับที่จัดการกับทุกขที่เกิดขึ้นในรูปนี้ได้อย่างไรเพราะรูปเป็นที่ตั้งของทุก รูปไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเราไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเขาเป็นที่ไม่ใช่ที่ตั้งของกูมึงผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันทาหารตำรวจพาคเนินเทนชีอันนั้นเป็นสมุนรเปลือกนอกของมันเราก็ต้องเอาออกเวลาเรารับประทานาอาหารเรารู้จักเอาสิ่งที่เป็นพิษที่ไม่จำเป็นออกเราทานผลไม้ อ, อย่างทุเรียนเงาะละมุดมังคุดลยาไยเนี่ยเราเคยกินไปทั้งเปลือกทั้งเนื้อหมไม่เคยเราก็รู้จักแกะ เ, เปลือกออก แต่ทำไมเวลาชีวิตของเราทำไมไม่รู้จักแกะเอาสมมติออกมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะเราไม่มีอะไ ร, ะ ไ, ระไม่มีกระยาณมิตรไม่มีอาวุธทางปัญญาจะกินทุเรียนทั้งลูกหนึ่งถ้ากินทั้งเปลือกทั้งเนื้อเกิดอะไรขึ้นวิกฤตเกิดแน่เลยคุณได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่จะกินมันได้คุณก็ต้องมีอาวุธใช่ไหมต้องมีมีดเหมือนกันความสุขที่เราจะกินได้เนี่ยมันจะต้องมีปัญญา แต่คุณมีความสุขโดยไร้ปัญญาเนี่ยอันนี้คือความทุกข์ปัญญาพิษที่ทําลายชีวิตคุณนะปัญญาที่เกิดจากอะไรปัญญาก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทุกข์ของชีวิตเนี่ยให้เป็นตัวปัญญาให้ได้ถ้าจะบอกทุกข์ต้องกําหนดรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อแปลงให้เป็นปัญญาแปลงให้เป็นปัญญาเบื้องต้นเพียงแต่ป้องกันทุกขเวทนาทางกายไม่ให้มันไหลไปสู่จิต ง่ายๆอย่างเวลาออกกาลังกายช่วงเช้าทําไมไม่ตั้งใจทํากันเพราะว่ากลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดใช่ไหมกล้ากลัวกลัวทําเหนื่อยหน่อยตอนเช้าหลวงพ่อทําก็นในนิคโยขาขึ้นโอ้โหยกไม่ไหวโยกใหม่โยกขึ้นเออเอาไปมาทําไหวยกน้ำไปไงอ้โวมันหนักท้องมากหลวงพ่อหายใจไม่ท่วงท้องเออนั่นแหละผ่อนคลายแล้วทำไมทําไปทํามเออทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราทํายากทำไม่ได้ต้องทดลองแล้วทดลองหาวิธีทําใช้ปัญญา ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ทําอันนี้ไม่ใช่แล้วทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องทําอย่างนั้นดูบอกให้ท่าสุดท้ายบอกว่าเฮสแตนโอ้โหไม่ไหวแค่หวัวตั้งพื้นระก็จะเป็นลมอยู่แล้วเฮสแตนก็คือเหยียดขาขึ้นข้างบนเลือด ก, ก็ไหลลงมาเลี้ยงสติปัญญาให้คุณมีความจําดีสมองดีระบบประสาทดีคุณก็ใช้มันได้เต็มที่แล้วนี่นะนั้นถ้าหากเราไม่กลัวทุกเนี่ยเราใช้สติปัญญามหาศาลเลยเปลี่ยนนะ เพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานของชีวิตมนุษย์ก็คือทุกนั่นแหละทุกเป็นพลังงานอันหนึ่งนะเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานอันนี้ให้เป็นเข้าสู่ระบบแล้วเหมือนเป็นพลังงานโซล่าเซลล์เข้าเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานน้ำเข้าเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานลมเข้าเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานฐานหินธาดินเข้าเป็นระบบไฟฟ้าเราก็มีไฟฟ้าใช้มหาศาลแต่ว่าเทคโนโลยีเรายังไม่สูงพอเราต้องไปเชื่อไฟฟ้าที่ไหนมาใช้ ดังลาวจากพม่าจากที่ไหนไม่รู้ปีหนึ่งก็ต้องเสียงงินประมาณมหาศาลแต่ถ้ามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า น, นี้เราก็พัฒนาเนี่ยแสงแดดเยอรมันเามีแดดแค่เดือนแค่4เดือนต่อปีแต่เขาใช้พลังงานแสงแดดทั้งประเทศน ะ, ะนั้นเองเรื่องเทคโนโลยีก็สำคัญที่เราจะพัฒนาแปลงสภาพวิภสนาก็คือเทคโนโลยีทางนามรรมนี่ดีได้เองคือเปลี่ยนทุกให้เป็นปัญญา ถ้าคุณไม่ทำไม่ปริศนาให้ถูกต้องแล้วคุณจะเปลี่ยนทุกให้เป็นปัญญาไม่ได้เพราะเปลี่ยนไม่ได้ทุกก็ต้องท่วมเมื่อทุกแล้วคนก็ต้องทำบาปทํากรรมทําสร้างนรกเผา ต, ตัวเองสร้างเปรตสร้างอสุรกายให้แก่ใจตัวเองอันนั้นคือความทุกข์อ่ะนะดังนั้นที่ว่าไฟนรกคือไฟของทุกข์ที่เราแปลงไม่ได้มันกลายมาเป็นไฟนรกเผาเรานั่นเองนรกก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเรากลัวนรกแต่ไม่กลัวทุก ไ ม, ม่กลัวทุกที่เกิดขึ้นกับกายตัวเองที่จะแปลงให้เป็นตัวปัญญาแปลงไปแสงสว่างนะดังนั้นเองหลักการอันนี้จึงต้องศึกษาจึงต้องแยกขายต้องสร้างตัวเปลี่ยนแปลงตัวทุก์ทางกายเนะี่ให้เป็นปัญญาให้ได้เพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครยังกลา้ากลา้กล า, ก ล, ากลั ว, ก ล, วกลัวทุกอยู่โดยที่ไม่แปลง เ, เป็นปัญญาคุณก็จะทุกข์และอ่อนแออย่างนี้ตลอดไปนะ แต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งมีความอาจหาันในการทําแล้วเนี่ยแต่เมืองไทยเราสอนให้เป็นคนผู้หญิงนเนาะเป็นผ้าผ้าปนเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมประเพณีต้องตกเป็นท่าของเขาเรื่อยไปมันก็ไม่เข้มแข็งพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมาคอนเซปต์ที่ว่าจะเปลี่ยนชาติพันธุ์ท้องคนมันเกิดขึ้นในหัวเรื่องเหล่านี้จะเปลี่ยนคนไทยให้ให้มีพลังเรามีพุทธศาสนาเป็นเครื่องมืออันวิเศษเลยใช่ไหมที่จะเปลี่ยนพลังงาน พลังอันนี้แต่ทําไมเราไม่ใช้พุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์เราไปใช้ผีใช้พรามณ์ใช้พระธาธรรมประเพณีเข้ามานานเหลือเกินแล้วจนเขาจนคนของเราจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วตอนนี้แตยการครอบงาของชาติอื่นชาติมหาอำนาจที่เขามีพลังด้านนี้เหนือกว่าเรานะเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งปฏิบัติเป็นชุดเป็นอาสนะเนี่ยวันนี้จะเริ่มจริงจังขึ้นทึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานละเพราะวันพุ่มนี้ คู่เก่าต้องเข้าเก็บอารม์ทั้งหมดนะก็เมื่อวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยคนใหม่ก็ต้องเข้าเก็บอารณ์แล้ววันต่อไปก็ออกประเมินผลกันนะตามระบบของเราทั้งนี้เพื่อที่จะนั่งดูแล้วก็แปลงทุกถ้าหากว่า น, นั่งไม่นานเดินไม่นานเราก็จะไม่เห็นทุกทุกไม่พอทุกน้อยไปน้ํำน้อยๆประปันเป็นไฟได้ไหมเออไม่ได้ต้องน้ําเยอะๆแสงไฟแสงอาทิตย์มันไม่แรงพอ มันก็ไปปั่นเป็นไฟไม่ได้หลวงพ่อติดเครื่องไอแปลงแสงอาทิตย์เป็นปั่นน้ําจากไอไอสุกไอแยกนี่แหละนะสนิว้วแต่ปรากฏว่าตอนสีแสงแดดมันก้าวใ น, นมันหมุนติ้วเลยน้ําขึ้นแรงมากพราแดดมันอ่อนๆเครื่องมันก็อ่อนตามแดดในที่สุดเครื่องพังนะเพราะว่าไอตัวลูกสุกลูกอะไรมันทางานผิดปกติหลนะพอก็ได้โยกไอทั้งแปดแผงไปรวมกับแผงใหญ่มาติดไอ ตัวกิจทายใหม่ก็ใช้ไฟเดินเข้าสายเป็นเดินสเสมอแทนก็มีทางออกไปอีกทางหนึ่งดังนั้นเองพลังของความทุกข์ในตัวเราเนี่ยให้มันสูงอย่าไปกลัวทุกข์เพื่ออะไรเพื่อจะแปลงเป็นพลังปัญญาให้ได้ถ้าคุณกลัวทุกข์คุณจะเอาพลังที่ไหนมาแปลงเป็นปัญญาก็กลายเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่งก็นั่งให้มันานานๆให้มันเห็นทุกข์แต่นานแค่ไหนนานแค่ว่าควบคุมให้อยู่ที่กายอดทนได้ แต่เมื่อใดความทุกข์ของกายเนี่ย ม, มันเริ่มซึมเข้าไปสู่จิตเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความง่วงเกิดความขี้เกียจขึ้นมาแสดงว่ามันไหลเข้าไปสู่จิตเรียบร้อยและ้ะคุณต้องเปลี่ยนละจะช้าหรือเดี๋ยวก็ตามอาการของอความทุกข์ทางกายที่เข้าสู่จิตสัญญาณแรกมันคือนิวรณิวรณ์คือความเรารักสบายมาก่อนเมื่อมันกลายไปสบายเราเริ่มเบือ่อ แต่เรื่องไม่ชอบใจก็เกิดเป็นปฏิฆะและพยาบาทะนิวรณ์โถวที่สองตามมาพอมันไม่ได้อย่างใจวับนิ่งเฉยไม่อยากจะทําอะไรพักหนึ่งง่วงแลงโมหะเข้าแลงหรือบางคนไม่ง่วงฟุง้งซ่านไอ้กูมานั่งทําไมว่านั่งทรมานตัวเองอยู่บ้านสบายกว่าไปนู่นแล้วทีน่นี้มันก็จะคิดออกไปเออฟุ้งซ่านแล้วตอนนี้แล้วหลังเลเอวิทีนี่ถูกต้องหรือเปล่าเคยทํามานั่งสนิทได้อารมณ์ดีนิ่งสงบเรามาทํานี้ฟุ้งซ่านตลอดมันใช่หรือเปล่า ชักลังเลแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดการนิวรนเข้านั่นหมายความว่าทุกเขเวทนาทางกายมันไหลเข้าสู่จิตเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นความเจ็บความปวดเหมือนทางกายแต่ออกมาเป็นอาการของจิตที่มันคิดไปต่างๆนานานั่นให้รู้ว่าทุกเขเวทนาทางกายไหลเข้าสู่จิตเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่านา ม, มารูปวิธีการก็คือมากระตุน้นมาว่าแก้ไขทางกายให้ชัดเจนขึ้นทําความรู้สึกตัวกับทุก ให้ชัดเจนขึ้นถ้าทุกข์มันเกินผ่อนลงมาให้มันสบายอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เหมือนเผาเหล็กให้แดงเนี่ยเวลาปรับปรัปปรับเหล็กให้มันเข้ารูเข้ารอแล้วพอมันหมดความร้อนมันก็ตีต่อไปแล้วตีไม่ได้มันแข็งแล้วไปชุบน้ํามันมันแข็งแล้วมาเผาใหม่เหมือนกันเรานั่งไปมันจนทุกขเวทนามันพีคพีแค่ไหนพีกแค่กายทนได้แต่ถ้าหากว่ามันเริ่มค่อยสู่จิตแล้ว ก็ต้องปรับละปรับท่าไปเพราะฉะนั้นสามาต้องทําดูท่าหนึ่งที่กายจะทนได้มากที่สุดไม่เกินห้านาทีถ้าเกินไปกว่านั้นชักเสี่ยงละเสี่ยงที่ความทุกทางกายจะไหลซึมสู่ทางจิตมันจะออกมาในรูปของความไม่ชอบไม่ชอบเป็นนามารูปใช่ไหมความเบือ่อเป็นนามารูปแล้วความสิ้งเป็นนามารูปแล้วความกลัวเป็นนามารูปแล้วรีบกลับมาปรับที่กายใหม่เอาตัวนามารูปออกไปกลับมาสู่รูปนามใหม่ ก็ทำไปสักพักหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวคอยเฝ้าดูตัวสังเกตที่ยกมือเหมือนตัวเรดาร์เคยสังเกตไหมเวลาไปสนามบินมันมีเรดาร์หมุนอยู่บนหอตลอดเวลาเลยใช่ไหมยี่บสี่ชั่วโมงใครมีความรู้เรื่องนี้บ้างพ่ออยากจะให้ทิบายให้ฟังใครทำงานอยู่สนามบินบ้างว่าเรดาร์ทำหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์ยมออนประภาพอมีความรู้เรื่องนี้ไหมไรู้นะ เราอาฐานสื่อสารมาอธิบายให้หลวงพ่อฟังเพราะฉะนั้นเอามาก็เอาคอนเซปต์ง่ายๆโอที่มันหมุนตลอดเวลาเอามาก็ถามว่าทําไมต้องหมุนตลอดเวลาก็เพราะมันจะเป็นตัวสัญญาณเหมือนเสารัรบโทรศัพท์ที่ส่งสัญญาณไปว่าเครื่องบินที่มาในประเภทไหนเครื่องบินค่ายศึกหรือเครื่องบินในประเทศเรายี่ห้อไหนอะไรมันจะโชวมาในหน้าขมโดยผ่านตัวสัญญาณตัวนี้แต่ถ้าสัญญาณเรดาร์ตัวนี้มันอยู่ทํางานนะเครื่องบินมันจะลงสนามไม่ได้หลวงพ่อว่า ง, งั้น เพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าเครื่องบินเขาเครื่องบินเราเครื่องบินพาณิชหรือเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินศัตรูแยกไม่ออกฉันเดีย๋ยวอะไรก็ดีก า, ดา ก, การยกมือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหอเลด้าที่คอยยกตลอดเวลาอ้าวหลวงพอบางครั้งมันไม่ได้ยกแสดงว่าเราอาคุเคลื่ อ, อนไหวส่วนอื่นหรือเปล่าล่ะอ้าวนั่นแหละคือเลด้าประจําตัวยังมีการหายใจพับตาอาปากเคลื่ อ, อนไหวจำนูนจำนี้ แต่ประการสําคัญมันจะเป็นเลด้าได้ต้องมีอะไรมีสติสัมปชัญญะเหมือนไฟฟ้ามันเลี้ยงอยู่เหมือนข้อมูลมันมันทำงานอยู่แต่ถ้ามันหมุนเฉยเฉยมันไม่สามารถสีบข้อมูลใดได้เลด้านนั้นก็เป็นไงใช้ได้ไหมเสียไม่สามารถจะส่งข้อมูลที่รับเข้ามาเข้าไปสู่อไอ้ตู้คอนโทรลได้ใช่ไหมดังนั้นเอง ออกมาว่าลักษณะเดียวกันนะเรามาชอบสังเกตแบบนี้อ๋ออันนี้ลูกประทับนามธรรมก็ลักษณะเดียวกันเรามีการเคลื่อนไหวทั่วเนื้อทั่วตัวนั่นคือสัญญาณเลด้าของกายเขาทํางานรับสัญญาณเข้ามาแล้วเมื่อรับสัญญาณเข้ามาแล้วก็ต้องมาแปลงสัญญาณอยู่ที่ลูกก่อนเมื่อแปลงสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มามันจะกลายเป็นตัวปัญญาเป็นข้อมูลอินโฟมิชันที่ถูกต้องละแต่ถ้าหากมารับสัญญาณเข้ามาไม่มีตัวรู้เข้าไปแปลงสัญญาณ ตัวที่รับเข้ามาก็กลายเป็นอะไรเป็นข้อมูลของความทุกข์เป็นความคิดเป็นนิวรณ์เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไม่ได้แปลงเป็นสัญญาณดิบด้วยคอนเซปต์อันนี้เราก็ถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะเกิดโอปะนาจิโกเห็นสิ่งข้างนอกก็น้อมเข้ามาสอนข้างในเห็นสิ่งข้างในก็นําไปทําสิ่งข้างนอก าดังนั้นคาถาที่เราฟังพระสวดทุกครั้งว่าโยธรรมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นคือเห็นตัวเองโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นตัวเองผู้นั้นเห็นธรรมโยธรรมังปัสสติโซปฏิจจสมุปาทางปัสสติผู้ใดเห็นธรรมหมายถึงผู้นั้นเห็นเหตุเกิดทุกข์คือปฏิสุวาทโยปฏิจจสมุปาทางปัสสติโซธรรมังปัสสติ ผู้ใดเห็นที่เหตุเกิดทุกข์ในจิตผู้นั้นเห็นธรรมชัดเจนไหมแต่ตําราอุตษาหไปวงแล้วบอกว่าผู้ใดเห็นเราตดถาคตผู้นั้นเห็นก็เอามาว่าโอ้ขณะชัดขณะ น, นี้คุณยังไปเติมมันอีกนะแล้วพระพุทธเจ้าปฏิญญาไปสองพันกว่าปีถ้าคุณไม่เห็นพระพุทธเจ้าคุณก็มีโอกาสบรรลุธรรมเลยดิถ้ามังโดนนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมอันนี้คือความไม่เข้าใจก็ไปทําให้ตําราผิดเพี้ยนขึ้นมาอ่า เราโอทา้ท่านพุทธเจ้าท่านมโนนาเปนานแล้วเนี่ยไอเรามาปฏิบัติเอาอะไรไม่เห็นท่านเราไปเห็นทําได้ไงใช่ไหมเราก็ไม่ลงมือปฏิบัติอันนี้คือผลของการตีคำพีผิดมันมีปัญหาอย่างนี้เราถึงมีการชําระพ้าได้พิดกันเป็นระยะระยะใช่ไหมเจ้าและที่เกิดขึ้นมาก็ตามตีตามความหมายของอัตโนมติตามมติของตัวเองแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามตพุทธพจน์นะแต่ท่านก็ตรัสต่อมาว่าตุมเหหิกิจัง อาตะปังอาข า, า, า, า, าตารูดรถาคตาปฏิปันาปมกคันติชา ย, ยิโนมาราพันธนาท่านทั้งหลายต้องเฝ้าดูต้องศึกษาสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะศึกษาที่ตัวเองต้องเฝ้าดูต้องศึกษาตนเองเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกกระวงเล็บเข้ามาอีกนะเราแต่ถาโคตอีกแล้วคําว่าเราที่นี้จะหมายถึงใครก็ได้ท่านผู้รู้ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นเพื่อนของเราอาจจะเป็นผู้ที่มาประสบการณ์มาก่อนเรามาชี้ให้เราเห็นเราไม่ได้หมายถึงแต่ถาคตเท่านั้นแต่หมายถึงใครก็ได้ที่ชี้ทางที่ถูกให้แก่เราเราเป็นผู้เพียงเป็นเด็ดเพียงผู้ชี้ใครมีความเข้าใจมีสติปัญญาพิจารณาอย่างเข้าจิตเข้าใจแล้วคนนั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวง แต่ชักคำว่าทุกข์กับมารท่านใช้คำเดียวกันนะชายิโนมาราพันธนาท่านจะผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารตามภาษาบ่วงแห่งมารคืออะไรรูปรูปลักษณ์เสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราไปสัมผัสด้วยขาดสติปัญญามันจะกลายเป็นบ่วงของทุกข์ ท้องคอเราแต่ถ้าหากเรามีสติสัมยาในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นการดับทุกข์ทุกข์ไม่เกิดนะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาท่านบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของคิปและบ่วงอันเป็นของมนุษย์ท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโ ย, ยชน์สุขของพหูชนคูอชนไปอันมากและเพื่อเอื้ออินดุแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พ้นแห่งบ่วงอันเป็นของมนุษย์คืพ้แห่งบ่วงกรรมมรรคที่เกิดจากรูปเสียงเกลียนรลพ้นจากบ่วงอันเป็นทิพย์คือพ้นจากการไปเสวยความสุขในความเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมคือความสงบเป็นชั้นๆนั่นแหละไปติดทิฏเต็ดติดชาตติ ด, ตดปฏิหารติดอะไรต่างๆนะั่นคือบ่วงอันเป็นทิพย์อ่าแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปดูแลไปช่วยเหลือไปสงเคราะห์คนที่เขาไม่รู้ก็ไปติดสุขอยู่แค่นั้นแล้วก็ตายไปเราทั้งหลายก็ไปแต่ เออท่านเป็นพระรหัส น, นะท่านเป็นผู้วิเศษนะจะเอาลูกของท่านมาทําอะไรทํารูปทำเหรียญแจกกันเฟ้นของขลังนั่งรถไปทีทหารตํารวจถามเออหลวงพ่อรถเร็วมาหรือเปล่าโอ้หลวงพ่อรีบไปฉันเฟ้นข้างหน้านี่ถ้าไม่เร็วขนาดนี้มันฉันไม่ทันเห็นนะเออไม่เป็นไรขอขอของดีด้วยหลวงพ่อคุณจะเอาอะไรของดีเอาพระเนี่ยนั่งอยู่นี่คุณเอาไหมบริการคุณได้ด้วยนะคุณจะให้ท่านทําอะไร มันก็หัวเราะแหงก็เดินหนีนมันเจอของจริงก็มันไปไม่เป็นนั่นแสดงว่าเจอผ้าเจกของประจำมามันถึงทําอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยคุณจะเอาผ้าแบบเอาผ้าจริงหรือผ้าผ้าปลอมเอาผ้าจริงนี่ผ้าจริงนั่งอยู่ตรงนี้คุณเอามหมมันนั่นก็มันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้เอานะถ้าไม่ใช่วบธีนี้เราก็มีวิธีทางออกดังนั้นเองมันถ้าเราทํารืสติปัญญามันมีเลี้ยวเฟื่อที่จะใช้ในแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะอัศติปัญญาที่ไหนมาแก้ปัญหาของโลกของสังคมร่วมกันเราก็ขันไปใช้อำนาจเอาบังคับในที่สุดมันก็คือการกดความศักยภาพของมนุษย์ให้ต่ำลงทำมนุษย์ให้เป็นสัตว์เป็นอบัยวสัตว์ไปเลยพัฒนาไม่ได้ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องตระหนักรู้เรื่องนี้ว่าจะต้องสร้างะระบบของวิปัสสนาเข้าสู่ชุมชนให้ไวที่สุด เข้าสู่ประเทศชาติให้ไวที่สุดเพราะงั้นประเทศชาติของเราจะต้องล้มละลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมอาจจะมีอยู่แต่ว่าเป็นเป็นชาติเป็นแผ่นดินของประเทศไหนไม่รู้ของมหามำนาจประเทศไหนเราก็ไม่รู้เพราะประเทศไทยนั้นเป็นอะไรเป็นฟู้ดแบงค์แหล่งอาหารของโลกใช่ไหมประเทศใดก็จ้องที่จะเป็นเจ้าของอะ่ะจีนก็จะเอาตะวันออกกลางก็จะเอายุโรป ก, ก็จะเอาอเมริกาก็จะเอาประเทศไทยเราเป็นเค้กก้อนใหญ่เลยี่นี่จะจะรอดหรือเปล่านี่เราก็วิตวอกังวล ดังนั้นเองเราต้องรีบต้องรีบขยายระบบวิปัสนาเนี่ยไปสู่สังคมแต่ก่อนที่จะขยายไปนั้นเราขยายที่ไหนก่อนขยายที่ตัวเองก่อนถ้าตัวเราเองอยากเอาตัวไปรอดไปเสื่อมคนอื่นไปไงเอ็นดูเขาเอ็เราก็ขาดละทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําที่ตัวเราเออมันรีบได้ได้หรอพ่อได้ถ้าเราทําถูกต้องใช่ไหมแล้วทําไมคุณรีบนั่งเครื่องไปล่ะไม่นั่งรถไฟไป แชั่วโมงหรือสิชั่วโมงเครื่องไปแค่ชั่วโมงเดียวคุณต้องรีบไปทำไมนั้นเร็วเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแต่ไปอย่างถูกต้องแต่ถ้ารีบยังไม่ถูกต้องนั่งเครื่องบินไปอักเดบในกาอากาศไปไงกระตายก็ทั้งชุดเลยว่างั้นเถอะนั่นก็คือว่ารีบอย่างมีสติปัญญารีบเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะฉะนั้นคําว่าสติเนื้อรู้ไหมว่ามาจากธาตุอะไรมาจากสรารธาตุที่มาแปลคําว่าโสสารลา ล, าลเลืออ่านว่ายังไง ศอสลาราเรืออ่านว่าสอนสอนทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวนี้ลูกศอนมันไม่มีใช้แล้วมันเปลี่ยนอะไรเป็นลูกปืนเป็นบุลเลตไปแล้ว <laughs> มันไม่ใช่เป็นแอโร่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสอนแปลว่าแล่นแปลว่าพุ่งไปหาเป้าหมายไวที่สุดใช่ไหมถ้าช้าเนี่ยมันจะทันสัตว์ไหมนกหนูปูปีกสมัยก่อนที่เขาล่าสัตว์เขาใช้ธนูใช่ไหมเขาใช้ลูกศอนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นลูกปืน ขณะลูกบุนขณะล้วงขึ้นมาก็แม่นเหมือนจับวางเราก็ยังต้องการเลยใช่ไหมชั้นใดก็ดีสติแปลว่าแล่นแปลว่าพุ่งแปลว่าไปแต่มันลงตามหลักภาษาบาลีมันลงติปัจจัยติปัจจัยหลักการอคติมันจะต้องทําลายหลังธาตุไปตัวหนึ่งธาตุเดิมคือสระธาตุที่แปลว่าสอนพอลงติปัจใจปั๊บมันกินหลังธาตุไปตัวหนึ่งกินรอเรือเข้าไปรวมกับข้อติเป็นสติ แต่ถ้าไปลงนะักปัจจัยตามหลักขยาตลงแล้วมันคงอยู่สระเป็นสรณะนะสรร ะ, ะแปลว่าอะไรพูดทางสารนังขาชามิ้ธาตุเดียวกันระหว่างสาร ะ, ะกับคาว่าสติคือมาจากสรรารธาตุเหมือนกันแปลว่าที่พึ่งถ้าหากวิยาแปลให้ถูกข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเป็นสติปัญญา เป็นที่พึ่งนั่นแหละเอาสติปัญญาไปที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งก็หมายความว่าพระพุทธคือการตื่นพระธรรมคือรู้พระสงฆ์คือเบิกบานพุทธโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรามีภาวะตื่นรู้เบิกบานขึ้นเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งทั้งนั้นก็คือสตินั่นเองใช่ไหมตื่นรู้เบิกบานสมเหตุสมผลณหมสมนะไม่มั่วน่ะ เพราะนั่นเองเราจะเห็นว่าก็คือหลักของเขาคือสติแปลว่าลูกสอนแปลว่าลูกปืนคือแล่นไปทำไมแล่นไปให้ทนันจับจิตให้ทนันจิตมันคิดไปไห น, นสติต้องตามให้ทนันดึงกลับคึ้นมาแต่ถ้าเขาก็สติไม่ไวคิดไปตั้งนานแล้วสติเพิ่งไปจับทันไหมถ้าเป็นนกคุณก็ยิงโป้งนกมันบินไปตั้งนานแล้วนะไม่ดันนะยิงไงก็ไม่ถูกจิตคิดไปตั้งนานแล้วสติยังวิ่งไปไม่ทันเลยมีสติเท่านั้นที่จะทนันแต่สตินั้นต้องแปลง ให้เป็นสติความเร็วสูงสตินั้นจะต้องแปลงเป็นสัมปัชย์ยะบางอย่างตามทันเวลาเลี้ยงลูกลูกมันจะตกบ้านตกชาเนะี่ยไปคว้ามาทันแต่คุณจะไปจับนกทันไหมไม่ทันก็ต้องแปลงสติให้เป็นสมาธิแปลงสติให้เป็นปัญญาพัฒนาความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆนะพัฒนาความเร็วของสติให้สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าชื่อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากคาว่าสติ มาเป็นศีลมาเป็นสมาธิมาเป็นสัพพะยะมาเป็นปัญญามาเป็นญาณมาเป็นวิชามาเป็นวิปัสนาญาณไปเรื่อยแต่ไปจากคาว่าสติเพราะสติจึงเป็นต้นต่อหรือเป็นสารตั้งต้นของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราจึงเจริญสติให้มากเพื่อเพื่อให้เป็นวัตถุดิบที่จะนำไปสู่ญาณและปัญญาระดับต่างๆได้แต่ถ้าสติน้อยมันก็ไม่พอที่จะแปลง ให้เป็นกําลังสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับน้ําน้อยไม่ปลไม่พอที่จะไปหมุนมอดิเตอร์ที่จะเป็นกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเก็บสติให้มากเกทุกฝีก้าวทุกการกระทําทุกการเคลื่อนไหวนะยัเวลายังมีพออยู่นะเพราะฉะนั้นเองก็ไม่อยากจะให้เกิดความระล้าระรังแล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละสงสัยตั้งแต่เจอมาถ้าหากมาหลวงพ่อก็เลไม่เจอวิธีการอันนี้ปัณณนี้ก็ตายเป็นฝุน่นเป็นฝอยเป็นดุก เป็นธาสี่ไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคอะไรตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยเจอวิธีการอันนี้แต่ไปธรรมนาปนสติอย่างน้อยสามปีกับหลวงพอ่อพุทธธาตก็ไม่เวิร์กเราได้อำนาจของความสงบอำนาจของฤทธิดเดชปฏิหารแต่ว่ายังมีทิฏฐิมาณนะโตขึ้นตามลาดับนะไปเถียงใครก็ไม่ชนะไม่ยอมอะไรตรงนี้นะ เพราะฉนั้นมันก็ทิถิมันก็โตตามลําดับเอาอย่างนั้นเปลี่ยนเมื่อหลวงพ่อผู้รัฐช่วยไม่ได้ไม่ใช่พระท่านไม่เก่ง น, นะแต่เราอ่อนแอเองเราเข้าไปถึงเองเอาเปลี่ยนไปหาหลวงพ่อธรรมธิราช ม, ม, มหามุนีวัดมหาธาตุหรือเจ้าคุณชโชดุปปีหนึ่งก็ไม่เวิร์กเอาไปศึกษาของไอโศกบ้างก็ไม่เวิร์กในสุดมาเจออาจารย์ควิทแนะนําให้รู้จําหลพเทียนยนี้แหล ก็ถึงได้ทํามาเรื่อยๆแต่พอได้ จ, จับหลักการอันนี้ปั๊บแล้วเามาก็ตามมาตลอดตามมาดูว่าเป็นยังไงตามรายละเอียดมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ว่าเสียดายคนปัจจุบันเนี่ยกำลังความอดทนกําลังความศรัทธาไม่พอปฏิบัติอันนี้นิดมันไม่เหมาะไปตรงน้นไปตรงนิดนะก็ไม่เหมาะก็ไปตรงนัน้ น, น, ป น, นเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆในที่สุดเปลี่ยนไปเป็นมาไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ทันพิสูจน์ถึงที่สุดก่อนค่อยเปลี่ยน ว่าอาจารย์นี่จริงไม่จริงต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดก่อนว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการก็เปลี่ยนได้แต่บางอย่างมันจะเป็นไม่ต้องเปลี่ยนเราใช้หลักการนั้นนี้แต่ว่าอันไหนดีเราเอาเข้ามาช่วยอันนี้ดีเราเอาเข้ามาช่วยแต่ใช้หลักการอันเดิมใช้หลักการเคลื่อนไหวมนเดิมครูบาอาจารย์เลือกอแยะมากมายเราก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธท่านแต่เลือกเอาส่วนที่ดีๆที่มันเข้ากับหลักการอันนี้เข้ามาช่วยกันนะปัจจุบันนี้ การเกษตรเป็นไงว่าหัวเงาะพวกทุเรียนมันติดดกรากที่มันมีอยู่มันไม่พอใช่ใชไหมทำไงเสื่มรากเออนั่นคือระบบเสื่มรากไปเห็นเออเทคโนโลยีการเกษตรมันก็พัฒนาไปไกละนะเสื่มรากทุเรียนเสริมรากกว้างออกไปเพื่อมันหาอาหารพอที่ไปเลี้ยงต้นมันฉันใดก็ดีเมื่อเราได้กรรมาฐานหลักคือการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็สามารถศึกษาุบายเกียวเข้ามาเสื่มรากเพื่อให้กําลังสติ ป, ปัญญามันเพิ่มได้ไว ไม่ผิดนะแต่อย่าอย่าเปลี่ยนต้นไม่ได้เสริมรากนี่ก็ตัดต้นเก่าทิ้งตายทั้งต้งตนเลยทีเนี้ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเอาการเคลื่อนไหวนี่มาเป็นต้นหลักส่วนคุณจะไปศึกษาหลักพุทธศาสนาจากครูบาอาจารย์ไหนก็เอามาเสริมในส่วนที่มันเข้ากันแต่ในส่วนที่ไม่เข้ากันแล้วก็ไม่เอานะ อ, อ, อาจารย์นี้นั่งหลับตาแต่ส่วนนี้ดีพรท่านแต่ฉันไม่เอานั่งหลับตาแต่ฉันจะเอาดื่มตาแต่ไอ้ส่วนนี้ท่านบอก พูดถึงเรื่องการปล่อยวางดีท่านก็มาทําเอออาจารย์นี้สอนเรื่องหลับตาท่านพูดถึงเรื่องความว่างเออดีเอาความว่างเข้ามาทําให้มันสอดคล้องกับหลักการที่เรามีอยู่ค่อยใช้วิธีนี้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดคนนี้ดีือคนนี้ชั่วแต่เราจับในส่วนที่ดีมาใช้ได้ไหมแล้วในส่วนที่เสียเนื้อรู้ไหมว่ามันเสียอย่างไรในส่วนที่ดีทุกอาจารย์มีทั้งข้อดีข้อด้อยหมดไม่ใช่ว่าเพอร์เฟคคนเดียว ท่านะนั้นเองก็ก็ยังมีแ ม, แม้พระพุทธเจ้าท่านเองก็ยังมีข้อผิดพลาดผิดพลาดยังไงที่สอนอนานาปณะสติชุดแรกๆพระเกิดได้ปีติได้ฤทธิ์ได้ฌานสำคัญว่าหมดกิเลสแล้วถ้าอยู่ต่อไปกลัวทำกรรมโลกก็พากันฆ่าตัวตายถึงได้กล่าวมาวันก่อนว่าการบัญญัติอาวัตปราชิกขึ้นเกกับการฆ่ามนุษย์เนี่ยก็เพราะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก็ยังมีผิดพลาดอยู่ พูดถึงเรื่องพระเทวทัตอัชาตตูอรเงี้ยก็มีการาลบหลายแย่งชิงกับผู้นิเจ้าในการตำแหน่งก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นแังนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อถูกข้อผิดในตัวแต่เราเลือกใช้ให้เป็นเลือกใช้ให้เป็นแล้วเราจะพบข้อสรุปที่ถูกต้องนะดังนั้นวันนี้ขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าการนั่งสร้างจังหวะเป็นอาสนะอาสนะละ ใช้คําว่าอีเดียบทนะไอเดี ย, บ ท, ดยบทละสามนาทีห้านาทีไปเรื่อยๆถ้าได้ครบชุดบางคนเรื่องชั่วโมงบางคนก็ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าตั้งเกณฑ์เวลาไม่เท่ากันส่วนเราจะเริ่มด้วยอีเดียบทไหนก่อนก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้ครบวงจรยังจําได้ใช่ไหมบทอะไราบางหนึ่งพระเพียบ้ายนั่งได้กี่นาทีก็ขอให้นั่งมันจะได้นั่งนาทีเดียวก็ขอให้นั่ง แต่คนไหนที่พาพเพียบซ้ายถนัดก็อาจจะ5นาทีบางคนเปลี่ยนเป็นพาพเพียบขวาไม่ถนัดแต่ถนัดเพียบเพียบซ้ายเพราะนั้นเวลาของพาพเพียบขวาและซ้ายอาจจะไม่เท่ากันเพียบซ้ายที่ไม่ถนัดได้แค่สองนาทีหรือ1นาทีแต่พาพเพียบขวาฉันนั่งถนัดฉันให้เต็มเลยสีนาทีหรือ5นาทีก็ถัวเฉลี่ยกันไปมานั่งทับส้นอนโยมผู้หญิงถนัดนั่งทับชุนก็ให้เวลามันนานหน่อยแต่นั่งคู่เข่าแบบพระไม่ถนัด แต่ที่จะได้ห้านาทีก็ได้แค่นาทีเดียวก็ยังดีแต่ขอให้ใช้มันนะพอมานั่งทับส้นก็นั่งชันเข่าบางคนขาอ่อนนั่งชันเข่าไม่ไหวนะก็นั่งสักหนึ่งนาทีก็ดีนาทีเดียวไม่ถึงกับขาหักขาแผลนะฮนะก็เพื่อให้สร้างกําลังใหม่ฟื้นฟูกําลังใหม่ขึ้นมาวันนี้ได้หนึ่งนาทีพรุ่งนี้อาจจะชันเข่าได้สองนาทีอย่างนี้เป็นต้นก็ฝึกเพิ่มไปนั่งคุกเข่านั่งชันเขานั่งทับส้นชุดหนึ่งใช่ไหม เดีมาชุดที่สองก็คาสมัดปล่อยขาขาสมาัดซ่อนขาเรียว่าสมัดหนึ่งชั้นแล้วก็ขาขวาปล่อยซ้ายเป็นสมัดสองชั้นเอาขาซ้ายมาทับขาควอีกที่เป็นสมัดสาชั้นซึ่งชุดนี้คนไหนขาอวบขาใหญ่หรือเส้นไม่ดีก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคนไหนขาเรียวขาเล็กก็ทําได้หรือบางทีขาเรียวขาเล็กไม่ได้ฝึกก็นั่งคัสมัดที่สี่นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทาแต่ไป ทดเข้ากับสมาธิหนึ่งที่สองเสียหรือทําดูสักนิดหนึงก็ดีนะเป็นการฝึกดัดเส้นสายตัวเองนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นนั่งเหยียดขาใช่ไหมนั่งเก้าอี้เราก็ยืนนะบางคนก็ประดิษฐ์เป็นท่านั่งยองๆก็มีนะบางคนนั่งยองๆเนะวลามันง่วงขึ้นมาแล้วแต่คุณจะประดิษฐ์ก็แล้วกันแต่อมาประดิษฐ์ได้แค่นี้แหละในสมัยต่อมาทําไม่เกินสิบสอง เป็นจถึงยืนพอยืนแล้วก็เดินเดินเห็นว่ามันสบายก็ฉันจะเดินสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเดินสัก5นาทีอย่างมากไม่เกินสิบนาทีก็พอก็กลับมาเอาเป็นอาสนะชุดที่สองอาสนะนึ่งผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนชั่วโมงก็เริ่มสองใหม่ก่อนที่จะเริ่มสองก็ผ่อนคลายรีแลกซ์นิดหน่อยก็เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งหรือ11บเอโมงอาจจะได้3มชุด ช่วงบายยาวหน่อยอาจจะได้สักสี่ชุดอช่วงเย็นเรามานั่งที่นได้อีกชุดหนึ่งวันขอได้แปดชุดถึงสิบชุดเนี่ยก็ได้อารมณ์ละยังไม่ชี้เมื่อวานแค่ไม่กี่ชุดอะ่ะก็ได้ปิติแล้วใช่ไหมมันก็ไหวไม่ชีทํากี่ชุดเมื่อวานอะ่ะอ่าคือหลายชุดอ่ามันก็คือทําคือทํา่อยสังเกตไปอะนะ ออ่าสาธิตเลยเวลาเลือหน่อยนะคาสมารหนึ่งคือคัสมาดปล่อยขาแบบนี้ไม่ต้องทับอะไรเลยขาปล่อยทั้งสองเนี่ยคือจะให้มันทับกันให้มันมันผลขายสมารหนึ่งชั้นหนึ่งละหนึ่งคสมาดปล่อยขาใช่ไหมสองคัสมาดทับทั้งสองข้างสามคสมาดสองชั้น สี่ขดมาธิสามชั้นอ่าเข้าใจมสี่ 4, ชั้นทีนี้อีกท่าหนึง่งไม่อยากจะให้เสี่ยงก็คือท่านอนนะ <c oughs> โดยเฉพาะเวลาเหยียดขาเนี่ยเหยียดข า, าไปสักห้านาทีสามนาทีห้านาทีเอาเอ็นเช่หน่อยหนึ่งต้องรืมดาลสร้างเยาวะนะขาะมือตกปั๊บไปเลยทีนี้แต่บางคนลองเสี่ยงดูก็ได้ไม่ว่ากันนะเสี่ยงดูแต่ว่าทาท่าจะเคร่แล้วก็ตืนขึ้นมา ไม่ใช่มันตามันปิดโดยไม่รู้ตัวเลยนะไปเลยครอกไปเลยนะบางคนที่หนักมากๆอันนี้ก็ต้องศึกษาดูนะไม่ใช่ห้ามในเดียวนะต้องศึกษาดูว่า <น ressive. S 1> ไงใจต้องเปลี่ยนได้ถ้ามันนิ่งผิดปกติแต่ว่าคือพยายามองนะครถ้างั้นแปลว่ารู้องยั ใช่ลักษณะที่การทำอย่างถูกต้องแล้วมันจะเกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าใครจะคลิกในจุดนั้นนะซึ่งอันนี้มันเป็นซิสเตมติกที่เขากรรมฐานที่ที่มันไม่อยู่ในกรอบนะมันเป็นซิสเตมขอกมันเพราะนั้นเราทำแบบมั่วๆโดยไม่มีซิสเตมไม่มีระบบเลยมันยากในการที่จะเกิดผลที่ชัดเจน ดังนั้นทุกอย่างมันจะต้องมีเทคนิคโดยเฉพาะในเทคโนโลยีใช่ไหมเขาว่ามันมีระบบเยอะที่ซับซ้อนใช่ไหมในวิปากษ์ศาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าอาศัยให้คนที่เขามีประสบการณ์มาบอกเราเยอะเพราะว่าบางทีปเป็นเรื่องของเขาอะเราทําตามไม่ได้หแต่เราต้องสร้างระบบของเราขึ้นมาเองแราเคยสังเกตไปเออทาแบบนี้ด้วยมทาแบบนี้ได้ไห ม, บบไไหมก็สร้างขึ้นมาลักษณะนี้มันก็เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆมันก็เกิดปัญญาใช่ไหมแล้วมันก็สนุกเออคุณนั่งๆไปทํา อะไรเดิมๆถ้าไม่มีความละเอียดในการทำเนี่ยเดี๋ยวก็เบื่อเหมือนเด็กอะ่ะมันได้เล่นของเล่นใช่ไหมของเล่นใหม่ๆไม่นสนุกได้ทั้งวันถ้าของเล่นนั้นมียิ่งระบบซับซ้อนเดี๋ก็สนุกได้ทั้งวันองั้นเด็กถึงติดเกมไงเออถ้าเราติดกรรมาฐานก็ไม่เป็นไรนะติดที่พิษนาอ่อาจะทำให้เราเอ่าสามารถเปลี่ยนปรับระบบอะไรเพราะฉะนั้นมันปฏิบัติโดยสนุกตลอดแล้วมีความสุขแล้วถ้าเวลาไปทํางานก็มีความสุขในงานอีกเพราะในงานก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหม ระบบนั้นระบบนี้มันเป็นการสร้างทั้งในส่วนที่รูปธรรมนามารมนี่คือระบบวิปัสนาที่ที่ว่าเป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาแล้วเทคโนโลยีต่างที่เราพัฒนาคือแอพพลายไปจากเรื่องวิปัสนาทั้งนั้นแต่เราไม่รู้เบื้องหลังเขาเท่านั้นเองเขาอาจจะไปอ่านคัมภีร์พุทธศาสนามาเป็นทฤษฎีของเขาเป็นทฤษฎีของเขาแต่คนจินเขาก็ไปอ่านควารู้ทางพุทธศาสนามาแอพลายอย่างในอันเบอร์นไกส์เนี่ย ก็ศึกษามาเยอะผู้ศาสนาใช่ไหมแต่มันอยากว่ามีอีโก้อยู่มีอัตตาอยู่นุ้นไ ม, ม่กล้าเปิดเผยตัวเองตอหลังก็เยแย้มมาว่าเออถ้าหากว่าฉันจ ะ, ะนับถือศาสนาใดในโลกฉันจะนับถือพุทธศาสนาอ่าท่าในอนาคตจะมีการล่มสลายแล้วศาสนาเกิดขึ้นในโลกปั๊บมีศาสนาเดียวที่จะเหลืออยู่คือพุทธศาสนาอันนี้แกพูดออกมาเองเลยนะเอามาก็อ่านหนังสือแกหลายเรื่องของอันเบอร์ไลสไต์ดังนั้นเองเราอย่าดังเลขอให้เราศึกษา ในวิธีการเนี่ยท่านเว่าไตรสิกขาใช่ไหมคุณจะรักษาศีลคุณก็ต้องศึกษาเสีย ก, ก่อนว่าศีลมันได้ประโยชน์อะไรคุณจะทําสมาธิก็ต้องแต่วันท่านไม่ใช้คำว่าสมาธิศึกษานะท่านใช้อะไรจิตศึกษาอ่าศีลสิกขาจิตใจศึกษาและปัญญาศิกขาคุณจะทําสมาธิต้องศึกษาเรื่องจิตก่อนว่าจิตมันทานํางานยังไงถ้าคุณไปทําสมาธิโดยไม่รู้เรื่องจิตของคุณก็เป็นงมงาเป็นสมาธิที่ก่อให้เกิดความงงงาย เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นปฏิหารเป็นขังเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญญาให้แต่คุณจะทําอะไรคุณก็มีปัญญาสิกขาศึกษาความรู้และอารมณ์ที่เกิดจากจิตว่าจิตมันคิดอย่างนี้มาก็อะไรก็ตามมันไปดูเกิดราคะขึ้นมาคุณก็จะไปกลัวราคะเกิดโทสะขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องกลัวโทสะเกิดโมหะขึ้นคุณก็ไม่ต้องกลัวก็วิจัยตัวมันเองนั่นแหละเราจะละราคะก็โดยอาศัยราคะเราอาศัยจะละโทสะได้ก็อาศัยโทสะนั่นแหละแต่วิจัยย่อยแยก ในส่วนหนึ่งเราอารมณ์ขูนมัวขึ้นมาปั๊บถ้าเรามีสติมีวิปัสนาแล้วก็เอาอารมณ์ขวนมัวนั่นแหละเป็นตัวปัญญาแต่ว่าแยกแยะตามรู้ตามรูตามหลักของอริยสัจนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่รับอาหารเช้าเสร็จแล้วก็วันนี้จะสลับกันเหมือนเดิมนะเพราะถ้าเราอยู่ที่เดียวกันที่ไม่พอก็คนใหม่ขึ้นมาข้างบนคนที่ ปฏิบัติบ้างดูข้างล่างก็สลับกันอย่างนี้แล้วก็ลองลองทดสอบของตัวเองดูว่าเรานั่งแต่ละอาสนะแต่ละท่าเนได้นานเท่าไหร่เราใช้คําว่าท่าท่านี่ใช้กับอะไรกับเรือใช่ไหมพระหวงพุเทเถียนบอกจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายนี่คือชีวิตของเรามีแค่นี้ จิตของเรามันต้องเป็นนายอยู่หัวเรือไม่ไไปทางไหนไอ้คนที่พายอยู่หางเรือนี่เป็นสติไอ้คนอยู่กลางเรือก็ช่วยกันเป็นฝีพายแต่ทุกวันนี้เราบ้าจะสนุนเนาะพายไปเล่นเรยวไปก็เจาะเรือทะลุบดน้ํนะาเข้าเรือจมตายไปโดนตาองกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสุกสนนะกิเลสของเรามันพาสุกซนไปเจาะเดือเล่นคือหมายความว่าจะไปเล่นกับสุขกับทุกข์โดยที่ไม่รู้สุขรู้ทุกข์ ถ้าไปเล่นกระสุนกระลุกโดยไม่รู้สุรกระลคือเท่ากับเจาะเรือตัวเองไม่เป็นท่าหมดท่าเงั้นเถะเพราะฉะนั้นถ่านั้นท่านี้เพราะนั่งจากกายไปเสมือนเรืออารมณ์ต่างๆเป็นเสมือนน้าเราต้องอยู่เหนืออารมณ์เรือมันถึงจะเล่นแต่ถ้าอยู่จมอยู่ในอารมณ์เรือมันก็จม ไ, ไปเสพสุขเสพทุกข์นั่งสมาธิก็ไปอยู่กับความสุขกับสมาธิ เวลาไปกินอาหารอร่อยก็ตดในรถอาหารอย่างนะี้ให้เสพสุขเสพทุกข์ฟังลุนตีติดใจก็ฟังอยู่อย่างนั้นแหล ะ, ะไม่ใช่ฟังธรรมดาแนละ้วทุ่งชัยสมอทอกตลอดเวลาเอ็มพีดีติดตัวเองตลอดเวลาเจาะออ ก, กำลังกายจะตัดหญติทําทงานก็มีทั้งนี้แทนที่จะมากําหนดรู้เวทนาใช่ไหมแต่ไปเสพเป็นอย่างนั้นไหมพวกเราก็อย่างนั้นนเวลาทํางานก็มีสมอทอกติดตลอดเวลาอันนี้คือระบบทั้งโลกคือเขาเสพสุขเสพทุกข์เขาไม่รู้สุกรู้ทุกข์ อันนั้นคือการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยแท้นะอันนั้นเชคชวนี้ขออนุมมทนาสาธุในการศึกษาร่วมกันเพื่อเราที่จะได้จัดการกับทุกข์ของเราเนี่ยให้เป็นระบบแล้วเอามาแปลงสภาพให้เป็นแสงสว่างทางปัญญาให้สำเร็จได้กันทุกคนทุกท่านเดินอ่ะหมดเวลา